ข้าต้มธัญพืชแสนหวานกาลครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆยังมีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ชื่อของพวกเธอคือเจนและเอลล่าเจนพี่สาวคนโตเธอฉลาดมากแต่เธอก็หญิงยโสในสติปัญญาของเธอเช่นกันเธอคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าทุกๆคนในเมืองน้องสาวคนเล็กเอลล่าเป็นเด็กสาวใจดีและน่ารักต่อทุกคน แต่ถึงแม้ว่าเธอจะน่ารักเธอก็ยังขี้หลงขี้ลืมเป็นประจำพี่น้องทั้งสองไม่เคยใส่ใจนิสัยของตัวเองนั่นทำให้พวกเธอมีความแตกต่างกันสิ้นเชิงเจนและเอลล่ายากจนมากพวกเธอหิวโหยแทบจะทุกคืนเป็นโชคดีมากหากพวกเธอได้กินขนมปังและชีสสักหน่อยวันหนึ่งเอลล่านั่งอยู่บนโต๊ะและมองขึ้นบนท้องฟ้าทัานใดนั้นท้องของเธอก็ร้องออกมา โอ้หิวจังเลยฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกออกไปเดินเล่นสักหน่อยกันแล้วกันเพอจะลืมความหิวไปได้ดังนั้นเธอจึงออกไปเดินเล่นในป่าโดยไม่ได้ถืออะไรไปด้วยนอกจากน้ำขวดเดียวเธอเดินไปเรื่อยๆและไม่นานก็หยุดพักเพราะเธอเหนื่อยมากอ๋อฉันเหนื่อยจัง หิวน้ำมากด้วยดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าแต่ในขณะที่เธอกำลังจะดื่มน้ำแม่เท่าคนนึงได้ปรากฏ ต, ตัวต่อหน้าเธอแต่งตัวด้วยชุดคลุมสีดำและดูน่ากลัวมากเอลล่ากำลังจะหนี <c oughs> แม่หนูได้โปรด <c oughs> ขอน้ำดื่มสักหน่อยได้ไหม ฉันเหี่ยวนะ้ามากฉัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดื่มนะ้ามาสองวันแล้วละแม่เท่าไออ ย, ย่างรุนแรงมากถึงแม่นางจะน่ากลัวมากแต่เอล่าก็รู้สึกสงสารนางและพ่ายแพ้ต่อจิตใจที่อ่อนโยนของเธอเอาได้สิคะนี่คะ่ะดื่มได้ถ้าที่คุณต้องการเลยฉันหวังว่ามันคงจะพอสำหรับคุณโอ้เธอใจดีจริงๆ ขอบคุณมากนะแม่หนูให้ฉันได้ตอบแทนความใจดีของเธอนะและในแสงสว่างเจิดจ้าแม่เท่าได้เปลี่ยนเป็นแม่มดสาวแสนสวยเอล่าประหลาดใจมากกับสิ่งที่เธอเห็นว้าวบอกฉันมาว่าเธอปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าอะไรก็ตามฉันจะมอบมันให้แก่เธอดังนั้นเอล่าจึงบอกทุกอย่าง ทั้งเรื่องที่พวกเธอจนแค่ไหนและหิวโหยในแต่ละวันเพียงใดอืมเช่นนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอกลับไปที่บ้านเธอจะพบกับหม้อวางอยู่บนโต๊ะมันคือหม้อวิเศษวิเศษอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหม้อวิเศษเธอแค่ร้องว่าทําอาหารในหะม้อจะทําอาหารและมันจะทํำข้าวต้มให้เธอเท่าที่เธอต้องการเลยด้วยวิธีนี้เธอและพี่สาวของเธอจะไม่หิวโหยอีกต่อไป แ้วเมื่อเธอกินจนพอใจแล้วให้พูดว่าหยุดจ้าเมาะจ้าพอแล้วแล้วมันจะหยุดทําวิเศษมากเลยฉันจะกลับบ้านตอนนี้ล่ะอรอเดี๋ยวก่อนเธอจะกลับไปฉันขอบอกสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเพื่อจะรักษาเม่าไว้ตลอดไปเธอจะต้องทําตัวให้คู่ควรถ้าเธอทําสิ่งที่ไม่คู่ควรกับมันมันจะหายไปจากชีวิตของเธอและเธอทั้งคู่จะต้องกลับมาหิวโหยอีกครั้งจําคําที่ฉันบอกไม่อย่างนั้น ถ้าจะมีปัญหาแน่นอนฉันสัญญาค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะแม่หมดใจดีฉันจะกลับบ้านก่อนนะคะกินให้อร่อยนะที่รักเอล่าเดี๋ยวนะคุณรู้จักเชิฉันได้ยังไงแต่แม่หมดได้หายตัวไปแล้วอย่างไร้ร่องรอยไม่นานเอล่าก็กลับถึงบ้านและพบว่ามีหม้ออยู่บนโต๊ะเหมือนที่แม่มดพูดเจนยืนอยู่ใกล้ๆและจ้องไปที่มันเอล่า เอาหม้อนี้กลับมาบ้านละ่ะใช่แล้วฉันเองเป็นไงเจ๋งไหมละ่ะสุดยอดไปเลยเหรอจะดีกว่านี้อีกเมื่อเราหาอาหารมาใส่และปรุงมันจากหม้อนี้ได้เนะนี่ยเจนเธอต้องมีความสุขมากมากเลยนี่เป็นหม้อวิเศษมันจะให้อาหารเราตลอดไปน้องรักตอนนี้พวกเราก็ยังไม่มีอาหารเลยท้องของพวกเราแฟบหมดแล้วแต่ดูเหมือนสมองของเธอจะเริ่มแฟบเหมือนกันนันเนียฮะฉันจะพิสูจน์ให้เธอดู เอลล่ามองไปที่หม้อและพูดขึ้นทำอาหารนะบอสจ๋าทำอาหารไม่นานเมื่อเอลล่าไร้คาถาเสร็จหม้อก็เริ่มมีฟองเดือดและเริ่มทำข้าวต้มร้อนด้วยตัวมันเองเจนประหลาดใจมากเอลล่ามองดูอย่างดีใจทันทีที่ข้าวต้มเสร็จมันส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งห้องนั่นทําให้ทั้งสองสาวหิวมากยิ่งขึ้นพวกเธอทั้งสองลิ้มรสมันมันคือข้าวต้มที่อร่อยที่สุด ที่เธอเคยกินด้วยวิธีนี้ทำให้พวกเธออิ่มเอมใจทุกวันและไม่เคยหิวโหยอีกเลยพวกเธอไม่เคยเบื่อรสชาติแสนอร่อยนี้แต่วันหนึ่งเอลล่าได้ออกไปข้างนอกฉันต้องบอกคาถาเพื่อสั่งให้มอหยุดทำงานกับเจนก่อนที่จะออกไปโอ้แต่มาจะพูดว่าไงนะมีอะไรงั้นเหรอทำไมเธอเจ้ า, างฉันแบบนั้นคือเออ มีบางอย่างสาคัญที่ฉันต้องบอกกับเธอเรื่องสาคัญเหรอฮาฮาเธอมีเรื่องสาคัญกับเขาด้วยแหละเนี่ยทำไมเธอใจร้ายแบบนี้ก็ได้ฉันจะไม่บอกอะไรกับเธอทั้งนั้นฉันแผ น, นได้เธอลืมว่าจะบอกอะไรกับฉันสินะฉฉันไม่ได้ลืมฉันไปดีกว่าแต่เมื่อเธอออกมาเธอก็จำคาถาได้ออจาได้แล้วอัไม่เป็นไรแล้วมั้งเธอกินไปแล้วนี่ตอนเช้า ฉันว่าเธอคงไม่หิวอีกแล้วล่ะแต่ไม่นานเจนก็เริ่มหิวอีก อ, อยากกินข้าวต้มแสนอร่อยจังเลยเอลล่าก็ไม่อยู่ด้วยฉันจะกินให้หมดเลยคนเดียวนี่แหละเธอไปที่หม้อตบมือและไร่คาถาอย่างร่าเริงทำอาหารนะหมอจา๋าทำอาหารนะไม่นานมันก็เริ่มทำข้าวต้มร้อนออกมาเจนรักมันมาก เธอกินมันอย่างตะกระตะกลามจนหมด อ, อร่อยจิงเลยอิ่มมากเลยตอนนี้เอ๊ะบอกให้มอหยุดทำงานดี ก, กว่าเอ่อคาถาคืออะไรนะเอ่อเอ่อหยุดทำอาหารนะมอดจา๋าแต่คาถาไม่ถูกต้องเอลล่าไม่เคยบอกเจนเลยกกับคาถาที่สั่งให้มอหยุดทำอาหารเออไม่นะถ้ามีไงดีเอ่ อ, อ, อพอแล้ว ไม่เอาเข้าวต้มแล้วหยุดข้าวต้มงองเอะสม้อบ้าไม่ว่าเธอจะกรีดร้องแค่ไหนหม้อก็ยังเดือดและทํำข้าวต้มร้อนๆออกมาเรื่อยๆเจนที่น่าสงสารร้องตะโกนใส่หมอ้อแต่มันก็เปล่าประโยชน์ไม่นานเอล่าก็กลับถึงบ้านหวังว่าคงไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นนะหลังจากเรื่องแย่ๆที่ได้มาจากการลืมคาถาเงอะงเอห์อือืไรกำลังออกมาจากประตูอย่างนั้นเหรอกลิน่นเหมือนข้าวต้มเลย เอล่าไปที่หน้าต่างและมองเข้าไปภายในบ้านเต็มไปด้วยข้าวต้มหวานวานเหนียวเหนียวแจกันและเก้าอี้ทั้งหมดลอยอยู่ในนั้นโอ้โอแย่แล้วสิเจนอยู่ไหนล่ะเนี่ยตอนนั้นเองเธอเห็นเจนกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะที่ค่อยๆจมลงไปในข้าวต้มเออโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยทำไมเอล่ายังไม่กลับบ้านอีก เจนเจนฉันอยู่นี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอ oh, ลล่าโอ้น้องระเร็วเขา้าก็มาได้เวทมนต์ที่ทำให้มอหยุดทำข้าวต้มทีสิหยุดจ้ามอจ๋าพอได้แล้วในที่สุดมอเวทมนต์ก็หยุดเดืนเข้าวต้มหยุดพุ่งออกมาแล้วเจละาเอลล่าถอนหายใจอย่างโล่งอกขอบคุณพระเจ้าหยุดสักทีแต่บ้านเลอะเทอะไปหมดแล้ว ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกคาถากับเธอทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองไม่ความผิดฉันเหมือนกันอะฉัน ไ, ได้ถามหรือว่าฟังสิ่งที่เธอจะพูดเลยวันนี้ฉันหญิงแล้วก็ใจร้ายกับเธอเกินไปแต่เราจะทำยังไงดีเจนบ้านของเราเต็มไปด้วยข้าวต้มคงต้องทำความสะอาดหลายวันเลยเจนคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมามีคนจนมากมายในเมืองนี้ทาไม เราไม่แบ่งข้าวต้มให้พวกเขาด้วยล่ะอ๋อจริงด้วยฉันไม่นานเลยว่าหลายคนต้องกำลังหิวหหยอยู่พวกเขาต้องชอบข้าวต้มร้อนๆแน่เอลล่าออกไปเรียกคนจนตามบ้านและตามตรอกถนนทุกคนคะเรามีข้าวต้มแสนอร่อยไว้ให้ทุกคนเลยพวกคุณต้องชอบมาแน่ๆ น, นำถ้วยแล้วก็ช้อนของคุณมาแล้วก็ตักไปกินเลยนะคะ และผู้คนทั้งหมดต่างมาด้วยแววตาที่ส่องประกายเจนใช้ถ้วยตักจากข้างในและเอลล่าก็มอบให้พวกเขาทุกคนพวกเขากินข้าวต้มอย่างอร่อยอร่อยขอบคุณมากนะเอลล่ากับเจนฉันไม่ได้กินอะไรมาห้าวันแล้วเราขอบคุณพวกเธอทั้งสองมากๆไม่นานบ้านของพวกเธอก็สะอาดไม่เหลือข้าวต้มอยู่เลยเจนปีนออกมาจากเนื้ตาต่างมายืนข้างเอลล่า เมื่อเห็นรอยยิ้มที่สดใสและใบหน้าแสนสุขของผู้คนเอลล่าและเจนก็มีความสุขมากเอลล่ารู้สึกดีจังที่ได้ใส่ใจต่อคนอื่นน่ะจริงเนาะพวกเรามีข้าวต้มมากมายและกินมาตั้งหลายวันแต่ไม่เคยแบ่งคนอื่นเลยน่ะมาแบ่งปันข้าวต้มให้คนจนและคนที่ยากไร้กันเถอะนะแบ่งให้พวกเขากินทุกวันพวกเขาจะได้ไม่ต้องทนหิวอีกต่อไปไงดังนั้นทุกวัน เจละเอล่าจะออกไปตามถนนตามบ้านและแบ่งข้าวต้มร้อนๆแสนอร่อยให้กับผู้คนเป็นเช่นนี้เป็นเวลานา น, านจนวันหนึ่งมีขอทานแก่สวมชุดขาดๆดเดินมาหาเอล่าและเจนมองดูเขาแล้วเข้าไปหาเขาแม่นรูพอจะมีเมตตามอบมอที่ทำข้าวต้มให้ฉันได้ไหม ฉันเดินทางมาไกลมากๆและหลานฉันก็กำลังป่วยฉันไม่มีอะไรให้พวกเขากินหรอกฉันขอเอามันกลับบ้านได้ไหมเราจะทำยังไงดีเจนถ้าเขาเอาม้อไปพวกเราต้องกลับมาหิวอีกแน่เลยไม่เป็นไรหรอกราเพียงพอแล้วแต่มันจะแย่สำหรับเด็กๆนะหากพวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยนะ่ะดังนั้นเจนหันไปทางขอทานแก่และยิ้มคุณคะ เอาแมวนี้ไปได้นะคะให้พวกเขาได้กินอาหารฉันหวังว่าพวกเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะเมื่อได้กินมันทันใดนั้นขอทานแกก็กลายเป็นแม่หมดโอ้แม่หมดข้าวต้มนี่ฉันประทับใจกับพวกเธอทั้งสองมากพวกเธอเรียนรู้ที่จะใส่ใจคนอื่นก่อนตัวเองแล้วอีกทั้งยังช่วยเหลือคนจนและหิวโหยในเมืองแห่งนี้อีกด้วยแล้วยังไงล่ะคะหมายความว่า พวกเธอจะเก็บม้ข้าวต้มนี้ไว้ได้เธอทักงสองคู่คนรกับมัน yeah! เย้ข้าวต้มแสนหวานทุกๆุกวันเลยและหลังจากนั้นเอลล่ากับเจนก็ยังแบ่งปันข้าวต้มแดกคนจนคนหิวโหวยทุกวนันพวกเธอมีความสุขมากที่เห็นรอยยิ้มบนหน้าผู้คนและได้ทำพวกเขามีความสุข